รู้จักและยอมรับคาแรคเตอร์ทางใจของตัวเองเวลาเกิดพฤติกรรมไม่ดีขึ้นไม่ต้องต่อว่าตัวเองแต่ให้ยอมรับตามจริงว่ามันเกิดขึ้นรู้จักและยอมรับคาแรคเตอร์ทางใจของตัวเองว่าเป็นอย่างนี้เราสังเกตว่าหลงเอ่ยเป็นความรู้สึกอย่างไรแข็งแข็งด้านด้านหยาบๆยาบแตกต่างจากความรู้สึกที่แท้จริง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 จิตจะฉลาดขึ้นเองขี้เกียจกระแทกอารมณ์แข็งๆใส่คนอื่นไปเองนี่ลหละวิธีแก้พฤติกรรมอันเป็นที่สุดโดยอาศัยการเจริญสติเข้ามาช่วยจะได้ไม่ต้องระวังไม่ต้องบังคับตัวเองและไม่ต้องฝืนทั้งที่ไม่อยากฝืน